ต่อไปสวดอาตานาติยาปริตวิปัสสจานมันทูจักขุมันตาสาสิริมาโต เซคีสปีจานามันโทสาภะโพตานุกัมปิโนเวสภูสานมันโุนหาตกาสตปันสิโนนมัถูกกุสันธสซามารเซนปมันดิโนโกนาคามนาสนามันโทพระมานาสววสีมโตคาสปาสะจานมันโท วิปโมตตาสะสัมปทิอังคีราสะสนมันทุสักิยาปุตาสสิริมาโตโยมังธรรมะมเทเสสิสาพทุกคาปนุทันังเยจปิณิพุตาโลเกยะธาพุตังวิปสิสุง เตชนาอภิสุนามหันตาวิตสารทาที่ตั้งเทวมนุษย์นังยังนามาสันติโคตมังเวจาจรณสัมปันนังมหันตังวีตสารทังเอเตจันเยจะสัมพุทธา อเนกัสตะโกติโยสาเพปุทาสมะสมาสาเพปุทามหิตธิกาสาเพทาสาภรุเปตตาเวสารเชหุปาคตาทาเพเตปฏิชานตีอาสพังทานมุตตมังสีหานาทังนาทันเตเต ปาริซาสุวิสารทาพระมาจากังปาวะเตนตีโลเกอาปฏิวัติยังอุเปตาพุทธะเมหีอาธาราสหินายกาพติงสราคขนุเปตาสีตานุพยัญชนะธราพยามาปพายาสปพาสาพเพเตมุนิกุญชรา พุทธาสพันยุโนเอเตสะเพขินาสวาชินามหัปพามหาเตชามหาปัญญามหัมลามหากรุลิกาธีราสะเพสานังสุขาวะทีปานาถาปฏิธาจา ชานาเลนาจปานินางคติพันธุมหาสาสาสรราาใิเตสีโนสเทวกาสโลกันสาสเพเตปรายนาเตสาหังสิรสาปาเดวันธามีปุริสุทธะเม ว่าจะสามัญาาเจวะวันธาเมเตตทาคาเตศยานิอาสเนทานีคมมณีญาภิสาพาธาสัทสุเคนาราคันตูโพธาสันติการาตุวังเตหิตวังราคิโตสันโตโมโตสาภพายเยหิจา สับปะรคขวีนิมุตโตสับปสันตาภวัตชิโตสับปเวรมติกันโตนิพุโตจะตัวังบวเทสังซาเจนะสิเลนะคันติเมตาเลนะจาเทพิอัมเหนุราคันตุอโรคอโรเคนาสุเคนะจา ปุราธิมสมิงทิสาภาเคสันติภูตามหิตธิกาเตปิอามเหนุรคันต ah ูอโรเคนาสุเคนะจาทักินสมิงทิสาภาเคสันติเทวาหิตธิกา เตปิอามเหนุรคันตูอโรเคนาสุเคนาจารปาชิมาสมิงทิสาภาเกสันตินาคามหิตธิกาเตปิอามเหนุรคันตูอโรเคนาสุเคนาจาอุตาราสมิงทิสาภาเกสันติยาคามหิตทิกา เตปิอามเหนุราคันตุอโรเคนาสุเคนาจาปุรัธิเมนาธาตระโททากิเนนาวิรุณหาโกปชิเมนาวิรุปปโกกุเวโรอุทารังทีสังยัตตารโอเตมหาราชา โลกบาลยาสานโนเตพิอามเหนุรคันตูอโรเคนาสุเคนาจาอากาสะาจะบุมาทาเทวนาคามหิตธิกาเตพิอามเหนุรคันตูอโรเคนาสุเคนาจาอิทิมันโตจะเยเดวา วสันตาอิทัสสเนเตพิอามเหนุรคันตูอโรเคนาสุเคนาจารสัพพิตโยวิวัชันตูสัพพโรโววิณัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกบาวอภิวาทนาเสริจานิท จังวุทาปจายโนจัตตารโธธรรมะวาทันตีอายวันโนสุขังพลังวะตตกะปริตังนิทติตังคืออาตานาติยะปริตังนิทติตังจบอาตานาติยะปริต